ในยะที่สองฉันทะเป็นมูลของธรรมะทั้งปวงมีพุทธพจน์แห่งหนึ่งว่าฉันทะมูลกาสัพเพธรรมาแปลว่าธรรมะทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลหรือแปลให้เป็นภาษาไทยมากขึ้นว่าธรรมะทั้งปวงมีความต้องการเป็นต้นกำเนิดหรือว่า มีความอยากเป็นที่ตั้งต้นข้อความสั้นๆเท่านี้ก็แสดงหลักที่สำคัญอยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจและน่าสังเกตเป็นอย่างยิ่งก็คือพุทธพจน์แสดงหลักข้อนี้รวมอยู่ในพุทธพจน์ที่เป็นข้อความยาวแสดงหลักธรรมใหญ่ถึงสิบข้อจะเรียกว่าเป็นประมวลหลักการสำคัญ1ิบประการของพระพุทธศาสนาก็ได้มีตั้งแต่หลักปฏิบัติสาคัญ ไปจนถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาขอยกมาให้ทราบกันไว้ดังนี้พิกษุทั้งหลายถ้าพวกอนญญาเดียรถีบริภาชกพึงถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายธรรมะทั้งปวงมีอะไรเป็นที่ตั้งต้นมีอะไรเป็นที่จบเถอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่อัญญาเิยรถีบริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายฉันทะมูลกาสัพเพ ธ, ธรร ม, มาธรรมะทั้งปวงมีชันทะเป็นที่ตั้งต้นมณสิการาสัมภวาสัพเพธรร ม, มาธรรมะทั้งปวงมีมณสิการเป็นที่ก่อตัวปัสสะสมุทญาสัพเพธรร ม, มาธรรมะทั้งปวงมีภัสสะเป็นแหล่งเกิด เวทนาสมโมสารานาสัพเพธรร ม, มาธรรมะทั้งปวงมีเวทนาเป็นที่ชุมนุมสมาธิประมุขาสัพเพธรร ม, มาธรรมะทั้งปวงมีสมาธิเป็นประมุขสตาทิปเตยาสัพเพธรร ม, มาธรรมะทั้งปวงมีสติเป็นอธิปไตยปัญญุตราสัพเพธรร ม, มา ธรรมะทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดยิ่งวิมุตติสาราสัเพธธรรมาธรรมะทั้งปวงมีวิมุตติเป็นแกน่นอมาโตขทาสเพธรรมาธรรมะทั้งปวง ม, <อ ye>มีอมตะเป็นที่ย่างลงนิพพานบริโยสานาสเพธธรมาธรรมะทั้งปวงมีนิพพานเป็นที่จบ ภิกษุทั้งหลายพวกเธอถูกถามดังนี้พึงตอบแกอัญญาเิรธีปริภาโชคเหล่านั้นอย่างนี้แหลหลักธรรมชุดนี้เห็นได้ชัดเจนทันทีว่าเป็นข้อธรรมสำคัญยิ่งอยู่ในระบบการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาเป็นการเจริญหรือพัฒนากุศลจนจบถึงจุดหมาย จึงเป็นธรรมดาที่จะมีได้เฉพาะธรรมะที่เป็นกุศลคือฝ่ายดีอย่างน้อยก็ต้องเป็นธรรมะกลางๆที่มาร่วมในพวกกุศลได้เพราะฉะนั้นฉันทะในที่นี้จึงแน่นอนว่าไม่เป็นอกุศลในอัถกถาท่านไขความว่าธรรมะทั้งปวงหมายถึงเบญจขันต์คือรวมสังฆตธรรมทั้งหมด ในที่นี้ท่านวงเล็บไว้ว่าก็ต้องเว้นนิพพานที่เป็นจุดหมายอันเป็นที่จบลงของสังขารพึงสังเกตความแตกต่างว่าในตอนก่อนที่ว่าอุปาทานนกขันห้าคือเบนจากอุปาทานนักขันมีฉันทะเป็นมูลและท่านไขความว่าอันนั้นมีตัณหาฉันทะคือตัณหานั่นเองเป็นมูล แต่ที่นี่ไม่ใช่อุปาทานนขันห้าหากเป็นขันห้าคือที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานขอพูดเป็นความรู้แทรกเล็กน้อยขันห้าหรือเบญจขันกับอุปาทานนขันห้าหรือเบญจอุปาทานนัขันต่างกันอย่างไรมีพุทธพจน์ตรัสแสดงไว้ตัวตัดสินคือ ขันห้าที่เป็นศาสวะและเป็นอุปาทานิยะคือเป็นปัจจัยแห่งอาสวะเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานจึงเป็นอุปาทานขันห้าถ้าปราศจากอาสวะปราศจากอุปาทานก็เป็นขันห้าล้วนนอกจากนั้นมีคำภีชั้นดีกาหลายแห่งเมื่ออธิบายหลักธรรมสิบข้อชุดนี้ บอกไว้ตรงทีเดียวว่าเหล่ากุศลธรรมมีฉันทาเป็นมูลมาลีว่าฉันทะมู ล, ลากากุศลาธรรมมานี่คือระบุว่าฉันทะเป็นมูลของกุศลธรรมและแห่งหนึ่งระบุเจาะจงไปด้วยว่าคือกตตุ ก, ก ร, รมเมตตาฉันทะซึ่งก็คือเป็นกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะ หรือจะเรียกเต็มก็ว่ากุศลธรรมชันทาด้วยนั่นเอง